ต่อนนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของทนให้ดีเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะต้องทำความสงบใจเราไม่มีธุระอย่างอื่นดังนั้นในพากันเข้าใจความหมาย ของการปฏิบัติรู้จักการรู้จักเวลาการเวลาทำการงานภายนอกก็ตั้งใจทำจริงๆเวลาที่ทำการงานภายในคือการบำเพ็ญทางกิตตะภาวนา ก็ตั้งใจทำจริงๆกําหนดใจให้แน่วแน่อย่าให้ใจวอกแวกก็จึงเรียกว่าทำจริงมีแต่นั่งอยู่เฉยๆนั่นล่ะปล่อยใจให้คิดเลื่อนลอยไปทั่วพิภพ อย่างนี้มันก็ไม่ได้ผลอะไรแหละการนั่งภาวนาบางคนคนนั่งภาวนาไปแล้วก็มีแต่ง่วงนั่งหลับนั่งฝันไปเช่นนั้นนะ่ยมันไม่ได้ผลอะไรแล้วการภาวนาเนะี่ยะนต้องทําจิตให้ชื่นบาน ต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ทำจิตให้ชื่นชมยินดีในกุศลผลบุญที่ตนกระทาบำเพ็ญมาบุญคุณนี่แหละเป็นกำลังใจถ้าบุคคลไม่นึกถึงไม่ทำความพอใจในบุญในคุณนี่ก็ ใจนี่เก็ะมีแต่หิวแห้งไม่ชุ่มชื่นไม่เบิกบานเมื่อเป็นเช่นนี้กิเลสมันก็จึงครอบงำโดยเฉพาะถีนมิทธะความง่วงเอาเหานอนมันก็ครอบงำได้ถ้าจิตปราศจากความยินดีเรื่มใสในบุญในคุณดังกล่าวแล้วนั้น นังนั้นจึงพากันให้ทำความเลื่อมใสยิ่งในบุญในคุณให้ได้เพราะเราประพฤติปฏิบัติอยู่ในพระพุทธศาสนานี่ก็เพราะเราเลื่อมใสในคุณเลื่อมใสในบุญกุศลเราจึงทำกันได้ ถ้าเราไม่เชื่อคุณพระรัตนกรเราไม่เชื่อบุญกุศลที่ตนทำมาแล้วหรือกำลังทำอยู่เช่นนี้มันก็ไม่มีกำลังใจที่จะภาคเปลี่ยนพยายามต่อไปได้ให้พากันเข้าใจเหมือนอย่างคนที่ไม่ได้รับประทานอาหาร อาหารไม่ได้ไปรอเลี้ยงร่างกายให้มีกำลังแข็งแรงอย่างนี้มันจะไปทำงานหนักไม่ได้เลยมันก็ทำไม่ได้จริงๆอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละผุ้คนผู้มีจิตใจโยห์หอไม่มีบุญไม่มีคุณเป็น ที่พึ่งเป็นที่ะระลึกเป็นเครื่องอยู่แล้วมันก็ไม่มีกำลังที่จะทำความเพียรละกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางไปโดยลำดับได้ก็เหมือนคนที่ไม่ได้รับอาหารฉันนั่นดังนั้นให้ทำความพอใจ ในคุณพระพุทธเจ้าคุณธรรมคุณประสงค์ให้มากมากเพราะพระคุณทั้งสามนี้เป็นพระคุณอันประเสริฐไม่มีคุณอื่นยิ่งไปกว่าเลยพระพุทธเจ้าในพระองค์สร้างบารมีมาจนสี่อสงไขยปลายแสนม้ากลับจึงค่อยเต็มบริบูรณ์ คุณความดีที่พระองค์มาทำอยู่กับโลกนี่นะมันจึงว่ามีอยู่เต็มโลกนะเนี่ยมันหลาเหลือล้นชาติได้เกิดมาก็มาสร้างบารมีอย่างนี้นะเมื่อแผ่มเมตตาจิตต่อสรรพสัตว์ทางหลายอยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้นนักปราชญ์ท่านจึงกล่าวว่าพราะคุณของพระเจ้านั้น ไม่สูญไม่หายไปไหนอยู่กับโลกนี้แหละแต่ส่วนดวงจิตของพระองค์นั้นน่ะเข้าถูพนิพานไปแล้วไม่ได้มาผูกพันกับหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายหรอกมีแต่พระคุณของพระองค์หละเป็นอติตารมเป็นอารมณ์ที่ล่วงมาแล้ว เป็นอารมณ์ที่ควรระลึกถึงเพราะว่าพระองค์มีบุญหนักสักใหญ่แล้วก็มีพระไทยบริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะมานะทิฐิสัพทังกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายพระองค์ละหมดแล้วนี่แหละเป็นข้ออัศจรรย์ที่ชาวพุทธทั้งหลายจะพึงนับถือ เป็นอย่างยิ่งมีอะไรเป็นเครื่องชี่บอกว่าพระ อ, องค์เป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วมีหลายอย่างดังเช่นพระ อ, องค์สระราชสมบัติสเสด็จออกบวชเมื่อกำลังเดินทางไปมีเทวดามาบอกว่า อย่าอย่าพึ่งไปบวชเลยท่านยังอยู่อีกเกียดวันแต่นี่ไปนะาจากรพพาดีราชจะบังเกิดแก่ท่านแล้วขุมเงินขุมทองก็จะเกิดแก่ท่านจะไม่อดไม่อยากอะไรเลยว่างั้นนะ ท่านจงกลับคืนไปคอยเสวยผลแห่งจกักรพรรดิราชเถิดเมื่อพระองค์ได้ฟังเทวดากลับโทนอย่างนั้นพระองค์ก็ตอบเทวดาไปว่าเราก็รู้อยู่ว่าจักรพรรดิสมบัติจะเกิดมีแก่เราแต่ว่าเราไม่ต้องการจักรพรรดิสมบัติ เราต้องการสัมมาสัมโพธิญาณคือความตัดสรูชอบด้วยตนเองในื่องจาชอบความเป็นพระศาสดาเอกในโลกเพื่อสั่งสอนคนให้รู้จักขนทางคนจากทุกข์ในเมื่อพระ อ, องค์ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วแล้วพระ อ, องค์ก็ ทรงมากกันส ก, กะอัศวะอัศวราชพนโนไม่สเสด็จไปสู่แม่น้ำเนรัญชราในตอนนั้นก็ยังแม่น้ำยังแห้งอยู่ยังเป็นดอนทรายทรายขาวสะอาดพระองค์ก็ไปทรงผนวด ที่บนกองหาดทายนั่นเองทรงตัดพระเกศาด้วยพระขันที่เอาติดตัวไปด้วยพระเกศานั้นธรรมดาชาวอินเดียไม่ว่าหญิงว่าชายเก้าผมทั้งนั้นเลย อย่างนี้ดังนั้นและพระองค์จึงได้เอาพระขันตัดพระเกศานั่นออกแล้วก็ม้วนเอาผ้าเครื่องทรงของกระสัดนั้นห่อเข้าไปผูกมัดให้ดีแล้วก็อธิษฐานในใจว่าถ้าจะได้ตัสรูป เป็นพระพุทธเจ้าแล้วตอนออกบทคราวนี้นะก็ขอให้พระเกศานี่พร้อมทั้งเครื่องทรงอันนี้จงเลื่อนลอยอยู่บนอากาศอย่าได้ตกลงสู่พื้นดินพออธิฐานเสร็จจากนี้นะก็โยนขึ้นไปบนอากาศเครื่องทรงนั้นก็ไม่ตกลงสู่พื้นดิน เรื่อนลอยอยู่บนอากาศพญาอินทาธิราชได้ทราบด้วยจักขุทิปจึงได้ลงมาอัญเชิญเอาพระเกศาพร้อมทั้งเครื่องทรงนั้นไปสร้างพระเจดีปริสถานไว้ในสวรรค์ชั้นดาวดิ้งเพื่อเป็นที่กราบ กราบไหว้สักการะบูชาของมวลหมูเทพพระเจ้าเราเทวาทั้งหลายในสวรรค์หกชั้นส่วนพระเกสาที่ยังเหลืออยู่ก็มีปลายงอเข้าใส่กันเป็นก้นหอยอยู่อย่างนั้นตลอดปรินิพานพระพุทธองค์ไม่ได้ทรง รงพระเกศาเหมือนอย่างพระสง์สาวกทั่วไปนี่เป็นคุณพิเศษส่วนหนึ่งของผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นมหาบุรุษศกษนะส่วนหนึ่งซึงไม่เหมือนคนธรรมดาสามัญ แล้วเมื่อพระองค์บวชแล้วก็เกิดปีเติขึ้นท่วมท้นเลยว่าพระองค์ได้หนีจากบวงหนีจากห่วงจากอะไรหนีจากเครื่องผูกมัดคือราชาสมบัติพร้อมด้วยพระมเหสีและพระราชาโอรสและนางสนมกลมในบริษัทบริวาร ที่เคยห้อมล้อมพระองค์มาทั้งกลางวันกลางคืนแทนที่ว่าพระองค์จะยินดีพอใจอะไรคิดถึงคนเหล่านั้นไม่เลยพระองค์ถือว่าคนเหล่านั้นเป็นบ่วงคล้องพระองค์ไว้ไม่ให้หนีอกกัดทุกขในสงสารนี้เมื่อพระองค์เสด็จไปพ้นแล้วจึงนี่ เมื่อได้บวชสำเร็จแล้วจึงเกิดปีติขึ้นทั้งห้าและจึงได้ไปประทับนั่งภาวนาอยู่ที่สวนมะม่วงของมรรคกษัตริย์ในครั้งนั้น <c oughs> เข้าใจว่าฟังแม่น้ำในรัญชราครั้งนี้เป็นดินแดนของ เมืองกบินรพัฒธ์ฝั่งแม่น้ำทางโน้นเห็นจะเป็นดินแดงดินแดนของพวกมันลักษัตต์อยู่ในเมืองกุสีนาราเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นแต่ท่านก็ไม่ได้อธิบายละเอียดไว้เรื่องนี้นะพระองค์ก็ไปนั่งเข้าฌานนั่งสมาธิภาวนา สเสวยปีติสุขอยู่ใต้ต้นมะม่วงนั้นทั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ได้ฉันพัฒนาหารอะไรเลยเดี๋ยวว่าพระองค์เป็นอยู่ด้วยปีติท ร, รมรรมีของพระองค์อันนี้แหละให้พากันพิจารณาดูประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้านะ เมื่อสรุปความแล้วเรียกว่าอนุภาพแห่งบุญบรารมีที่พระ อ, องค์สั่งสมมาแต่อเนกชาตินั่นแหละเมื่อมันมากเต็มบริบูรณ์แล้วจึงไม่มีอะไรที่จะมากั้นกังพระองค์ไม่ให้เสียสละโลคิยสถุกนั้นออกไปบวชได้ แม่ภูเป็นสามกก็เหมือนกันเมื่อท่านสร้างบุญบา ร, รมีตามพระศาสดามาจนเต็มบริบูรณ์แล้วอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นพระอกษากาสาวกทั้งสองและขับพระพระมหากัสจปะเทระเจ้าพร้อมด้วย รรยาเมื่อบนบา ร, รมีมาถึงแล้วก็ทำไม่เหนื่อยหน่ายในการคลองเลื่อนทั้งภาษาริบุตรพระมหาโมคลานะท่านเหล่านั้นยังไม่ได้แต่งงานเลยทั้งที่เกิดในตระกูลสูงซะด้วยตระกูลร่ำรวยเป็นขั้นคาหะบอดี อย่างนั้นท่านเหล่านั้นยังไม่แต่งงานก็ได้ทราบข่าวว่าเกิดพร้อมภาษาธดาน้นหนุ่มแต่ตกลงว่าอายุของท่านเหล่านั้นก็าปาเข้าไปสามสิบกว่าปีแล้วนเน่จึงได้พบภพาษาธดาได้ฟังธรรมแล้วก็ได้ออกบวชกันนี่ ต้องคิดดูอนุภาพแห่งบุญญาบารมีที่คนเรากระทำมานะ่ะมันช่วยให้คนเรานั้นได้หลุดพ้นจากห่วงแห่งกองทุกข์หลุดพ้นจากอานาจแห่งตัณหานันทำให้หลุดพ้นจากอานาจแห่งตัณหาไปได้พวกเราที่เป็นสาวก หรือเป็นบริษัทของพระ อ, องค์ก็ก็ขอให้ทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างนั้นแหละว่าเราถ้าหากว่าเราสร้างบุญบา ร, รมีไปเรื่อยๆไม่ท้อไม่ถอยบุญบา ร, รมีนี่ก็จะเต็มไปเรื่อยอย่างมากขึ้นเรื่อยๆไปในขนาดเดียวกันก็ เพียนละบาปให้หมดไปให้มีแต่บุญกุศลล้วนๆติดตัวไปอย่างนี้ถึงแม้จะท่องเที่ยวไปในสงสารก็เกิดดีแกิดดีตายดีก็ไม่ค่อยมีโรคภัยอันร้ายแรงอะไรมาเบียดเบียนร่างกายธรรมดาคนผู้มีบุญเนี่ย จึงปรากฏระบางยุคบางสมัยคนมีอายุยืนตั้งหมื่นปีแสนปีขึ้นไปมีโยจนถึงอสงไขยปีก็ยังมีนี่คนเหล่านั้นฟังท่านกล่าวไว้ในตำราไม่ไม่รู้จักแม้แต่ปวดศีรษะเป็นไข้ไม่มีเลย มีแต่โรคกวดอุจจระปัสสาวะโรคหิวข้าวกระหายน้ำหิวหลับหิวนอนเท่านั้นแหละโรคอื่นไม่มีอันนี้เราต้องเชื่อพระพัญญาตรัสรู้ของพทธเจ้าถ้าเราไม่เชื่อเพราะพทธเจ้าเราไปไปเชื่อใครล่ะอนนั่นแหละ เชื่ออานุภาพแห่งบุญกุศลนี่นะนั่นเนี่ยคนส่วนมากไม่ค่อยเชื่อเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเหตุดังนั้นเมื่อมีภัยพิบัติมาถึงเข้าจึงไปเที่ยวอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในสาคนโลกนี่จงมาช่วยดลบันดาล ให้พ้นจากภัยพิบัติอันตรายต่างๆอันนี้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยคนเราที่ความเชื่อนั้นปราศจากปัญญาแล้วก็วกลั่นกองเอาของดีไม่เป็นมีใครเอาของพร้อมมาให้ก็เอาเอาของดีมาให้ก็เอาเอาทั้งสองอย่าง เป็นอย่างนัน้นนี้พวกเราที่เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเราควรมีปัญญาเลือกเว้นที่พึ่งอันประเสริฐให้ได้เพราะเรายังไม่พ้นจากกิเลสตัณหายังมีทุกข์ครอบงำย่ายีอยู่ ดังนั้นเมื่อไม่หาเมื่อไม่แสวงหาที่พึ่งอันประเสริฐแล้วอย่างนี้ทุกมันก็ย่อมครอบงำย่อมยีไปทุกชาติทุกพบไปไอ้ที่คนเราเกิดมาแล้วมาประสบภัยพิบัตอันตรายต่างๆเช่นลูกตายเสียเมียตายจาก หัวตายจากไฟไม่บ้านโจรปล้นเอาไฟหมู่นี้นะมันก็มีแต่ น, นั่งร้องไห้รำไรต่อกันและกันอยู่นั่นแล้วไม่มีทางที่จะมีความสุขสบายได้เพราะเนื่องจากว่าความอะไรความผูกพันกันมาในสงสาร นานนับชาตไม่ทวนเกิดมาชาติได้ก็มารักมาใครมาชื่นทมยินดีต่อกันว่าของเราของเราอยู่นั่นแหละแต่เมื่อเวลามัดจุราชคือความตายมาถึงเข้าแล้วมันก็จึงได้โศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันเพราะไม่อยากพักภากากกัน แทนที่จะชักชวนกันสร้างบุญบารมีเพื่อจะได้ให้บุญกุศลนี่เป็นงานพาหานะพาให้หนีจากวัตฏสงสารอันนี้ก็ไม่ทำกันไปเพิดเพลินยินดีอยู่แต่ในสัมผัสของกันและกันเท่านั้นเองพูดตรงไปตรงมานะ่ะ แล้วสัมผัสอย่างที่ว่านั้นเนี่ยเมื่อร่างกานี่มันชำรุดทรุดโทมไปแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรอ่ะมันก็ไม่เป็นที่ชื่นชอบอะไรต่อไปแต่ว่าในชื่นชอบในสัมผัสแต่ก็ชื่นชอบรักใคร่ผัวพันกันโดยฐานที่ได้ร่วมสุขร่วมทุกข์กันมานี่ ดุดจากอันหนึ่งมันก็ไปติดอันหนึ่งให้ความรักความใคร่อันนี้นะฟังพิจารนานดูให้ดีก็เช่นนี้แหละคนเรามันจึงได้มาทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกสงสารอันนี้หนีไปไม่ได้ก็เพราะเหตุวาา ไม่บำเพ็ญตนเป็นนักเสียสละเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพราะพุทธเจ้านั้นตั้งแต่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่บางชาติในพระองค์ครองเรือนไปแล้วอยู่ไปอยู่มาบุญบา ร, รมีมาโดนบันดาลจิตใจก็ทำให้สละลูกเมียบ้านเรือนออกบวช เป็นลือสีดาบทไปเลยในกับในกันที่ไม่มีพระพุทธเจ้าบาังเกิดขึ้นในโลกบางชาติก็เกิดมาร่วมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งโดยมากก็มักจะออกบวชถ้าไม่ได้ออกบวชก็เป็นผู้บำเพ็ญทานบริ คือเป็นใหญ่ในทานทําบุญบริจาคทานไม่มีอั้นเลยเมื่อท่านได้เป็นพระราชามกษัตริย์หรือเป็นมหาเศรษฐีอย่างนี้น่ยก็ทําบุญทําทานแล้วก็รักษาศีลในบริสุทธิ์ไปด้วยไม่ได้หวงแหนในทรัพย์สมบัติที่บุญกุศลตกแต่งให้นั่น ยกตัวอย่างเช่นข้างเป็นพระเวทสันดรนะเมื่อถูกขับไร่ไปอยู่ในป่าเขาลมไนพายน้ำเน่าพายองค์ก็ขออนุญาตพระบิดาขอทำบุญบริจาคทานอยู่สั ก, กิ e t a d d r e s พระบิดาก็อนุญาตให้ได้ละเข้าของเงินทองอันเป็นทรัพย์สินส่วนของพระองค์ กับพรมเหสีให้ทานแก่ยาจกคนขอไปอยู่ตั้งเจ็ดวันยังค่อยหมดไม่ทราบสมบัติมากมายเพียงใดอะนี่นี่ย เ, เมื่อพระ อ, องค์เสียสลับไปอย่างนั้นแล้วไปบำเพ็ญเป็นปรือษีธรรมดาพระโพธิสัตว์นี่ยังไม่ได้ตัดระลหดอก้าหากว่าไม่ถึงคราวแล้ว ก็บุญก็บันดาลให้ชาวเมืองได้ไปเชื้อเชิญเข้ามาครองราชสมบัติตามเดิมเมื่อพระองค์ก็มาครองราชสมบัติแก้วเจ็ดประการก็ตกลงมาจากอากาศเดือดดาษทั่วพระราชวังถ้าตกโยตามบ้านเดือนของใครก็เป็นสมบัติของผู้นั้นไปอ พระเวสสันดรพระ อ, องค์ไม่ได้รวบพระไม่ได้รวบรวมเอาสมบัติที่ตกอยู่ในเขตบ้านเขตเรือนของราชดอนนั่นแสดงว่าถ้าเป็นกษัตริย์บางพระ อ, องค์แล้วก็จะไม่ยอมนะถือว่าเป็นของหลวงหมดเลยถือว่าเป็นของแผ่นดินจะไปเถือกเป็นของบุคคลไม่ได้อืมแต่นี่พระ อ, องค์เป็นนักเสียสละสั้นเยี่ยม เป็นนักเสียสละชันชาติสุดท้ายแม่แต่ลูกก็ดีเมียก็ดีช้างพัทินั่งม้าพธทินั่งราชรถอันเป็นมิ่งขวัญของบ้านของเมืองหรือเป็นบุญสมบัติของพระองค์เกิดพร้อมกับบุญญาบรมีของพระองค์แท้แท้พระองค์ก็ยังให้ทานไปหมดเลย อันนี้สงทานอันนั้ น, มนแมลงกล้าจนถึงกับแผ่นดินไหวอลองคิดดูอนุภาพแห่งบุญกุศลเมื่อบุคคลทำมากๆเข้าไปแล้วมันก็แสดงออกให้เห็นอย่างนั้นแหละพระองค์กลับเข้าตะบุญราชตสมบัติเป็นครั้งที่สองนี่ไม่อดไม่อยากอะไรเลยเอ ด้วยบุญญาบรารมีที่พระองค์ได้สั่งสมได้เสียสละมาแต่อดีตชาติจนมาถึงเป็นพระเวสสันดรก็ยังเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างออกไปนี่แหละเมื่อความเสียสละมันมากเขาแล้วเมื่อเวลาให้ผลก็ไม่มีทางยากจนค น, นแค้นเลยไม่อดไม่อยากอะไรแต่คนส่วนมากนะ่ะ มันไม่ยอมเสียสละเหมือนอย่างพระโพธิสัตว์ได้อะเห็นว่าอย่างเสียสละก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะแล้วผลมันให้มันก็ให้แต่น้อยเท่านั้นเนี่ยท่านพระโพธิสัตว์ผู้มีใจอันใหญ่มีเมตตาอันกว้างขวางพระองค์เสียสละเสียสละมากเอาซะจริงๆ เวลาผลมันอำนวยให้มันก็มากจนเหลือใช้เหลือจ่าย อ, อย่างนี้เด็กบัดเมื่อเวลาบุญบารมีเต็มบริบูรณ์แล้วอย่างนี้พระ อ, องค์ก็เสียทละทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยบันนี้ไปแล้วไม่หวนกลับแล้วไม่หวนกลับมาคองราชสมบัติอีกแล้วทรงสเสวงหาทางตัดรู สัมมาสัมโพธิญาณอยู่หกปีก็ได้จัตตรูสมพระประสงค์อันนี้แสดงถึงอนุภาพแห่งบุญญาบา ร, รมีแม้ใครทําก็ได้รับผลตามความสามารถของผู้กระทานั่นแหละไม่ไม่เฉพาะแต่ผู้ที่สร้างบา ร, รมีเป็นอุพุตตเจ้าเท่านั้น ผู้ไม่ได้สร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสาวกภาวิกาธรรมดานี่เมื่อสร้างบุญบารมีไปสร้างไปไม่ท้อไม่ถอยบุญบารมีเต็มแล้วมันก็โดนบันดาลให้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างในโลกออกไปบวชคื่เป็นครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตบวชกับพระศาสดา แล้วเมื่อได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วกดหลุดพ้นจากกจุดหมายปลายทางของชีวิตของมนุษย์เรามันก็อยู่ที่พันิพานนั่นแหละให้เข้าใจแต่ว่าบุคคลใดเป็นผู้ประมาทมากอย่างนี้มันก็นานถึงะ ก็ได้ไปเสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในนรกอบายภูมินานแสนนานกว่าจะพ้นมาได้แต่ละครั้งพ้นมานรกมาแล้วผมว่าเป็นเปรตาเป็นอาุรกายว่าเป็นสริไร่ฉานอยู่นั้นก็ไม่รู้ว่ากี่ชาตินี่แหละบุคคลผู้ประมาทนะขอให้คิดดูให้มันเห็นประมาทคือไปไปทำบาปทำกรรมนั่นแหละพูดง่ายๆ ทำความชั่วใส่ตัวเองนั่นเองไม่ทําความดีว่านี่ทําก็ทําเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองบาปกรรมมันมากแล้วมันบาปกรรมมันก็นําไปเสวยทุกขทนมทรมานอยู่ในนรกอบัยภูมินั่นแหละนานแสนนา น, นคนจากนรกอบัยภูมินั่นมาได้แล้วก็มาสวยผลบุญที่ตนทําไว้แต่ก่อนนั้น เล็กน้อยก็มาเป็นคนยากคนจนอยู่ในโลกอันนี้บางคนก็รู้ตัวได้ว่าทนเป็นคนยากคนจนเพราะทนทำบุญกุศลมาแต่คนมันน้อยไปแล้วก็ตั้งใจสร้างสร้างสมบุญกุศลให้มากเข้าไปชีวิตของคกนั้นก็สูงขึ้นในทบในชาติต่อไป แต่บางคนเมื่อทนอยากจนคนแค้นแล้วละระลึกถึงบุญกรรมถงทนไม่ได้ฉันจะแถมก็ยังไปทำความชั่วเข้าไปอีกไปเป็นโจรเป็นขมโมยไปกี่ไปปล้นไปหลอกลวงช่อโคงเอาสมบัติผือนมาเป็นถงทนทำบุคคลอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทำตนให้เป็นทุกข์เดือดร้อน สั่งสมบาปกรรมช่ตน้นเมื่อตายแล้วก็กลับลงไปสู่นรกนั่นอีกผู้เช่นนี้แหละนานถึงปานิพานได้สวยทุกข์อยู่นานแสนนานในวัตาสงสารอันนี้ไม่รู้กี่ลับกี่กันนะฉันขอให้พากันพิจารณาให้ดีโทษเทความประมาทใน สํารวมกายวาจาใจของตนให้ตั้งอยู่ในกุศลคุณงามความดีไปแสหาทําความชั่วแสหาจะคิดแต่ไปฆ่าตัดตัดชีวิตมาเลี้ยงชีวิตของตัวคิดแต่จะไปลักไปล่อไปหลอกไปลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนมีผัวมีเมีย มาแล้วก็ไม่พอใจอยู่ในพัวในเมียของตนโดยเฉพา ะ, ะไปเห็นหญิงอื่นชายอื่นรูปร่างสวยงามปัญญาาดได้อ้าไปแสดงความเป็นเจ้าชู้มายาสาไถยเกี่ยวพราะราศีไปทำมิจฉาจารกรรมเล่นชู่จากผัวเล่นชู์จากเมียไป ความคิดจะตกต่ำไปอย่างนั้นเนี่มีปากมีวาจาก็ไม่สำรวมจิตใจนั่นก็เลวซ้อาอใช้กายทำชั่วแล้วยังไม่พอใช้วาจาทำชั่วอีกเปพูดเท็จพูดโกหกกลอกกลวงเอาสมบัติปืนมาเป็นของตน พูดคำอยากคายด่าแช่งคนอื่นนี่ <c oughs> ไปเที่ยวพูดสอเสียดยุยงให้คนอื่นทะเลาะวิวาดแตกท้าวสามคีกันนั่นเขาเรียกว่าปากอยู่ไม่เป็นทุกข์มันก็มาจากใจนั่นแหละใช้อยู่ไม่เป็นทุกข์บางคนเกิดมามีอายวะร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์บริบูรณ์ดีไม่มีโรคภัยอะไรเบียดเบี้ยนแต่แล้วเขาไปคบกับบุคคลผู้ท่องเสพของเสพติดมีสุราเมลัยคัญชา่ายาฝิ่นเฮโรอีนเหล่านี้เลยเข้าไปก็้ไปซ่องเสบของเสพติดตอ น, นี้มากเข้าไปมากเข้าไปมันก็เกิดทำพิษเอาถ้าไม่เกิดโรค โรคร้ายบีบคั้นเบียดเบียนร่างกายให้ทุดโทมไปเช่นโรคเอดโรคมะเร็งโรคเบาหวานวันนะโรคอะไรหมนี้นะเนี่ยโรคเป็นโรคที่รักษาไม่หายได้มีแต่ตายลูกเบี้ยวไออย่างนี้นี่มนุษย์เรานะ่ะ พอาศัยอวิชชาก็คิดได้คิดว่าเออแม่ตัวของเรานี่เมื่อไปทำชั่วดังกล่าวมานั้นตนก็จะต้องได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนเช่นบุคคลอื่นๆที่ได้เสวยวิบากรรมอยู่นั่นแหละดังนั้นเราไม่ควรที่จะไปทำความชั่วเหล่านั้นควรลวดเว้น แม้ว่าจะได้รับความทุกข์ากลำบากเพราะการทำมาหาเลี้ยงชีพผืดเครืองบ้างก็อดเอาทนเอาขอแต่ อ, อย่าให้ไปทำบาปทำกรรมใส่ตัวเองก็พอแล้วเพราะชีวิตเนี่ยถึงแม้ใครจะร่ำรวยมั่งมีอย่างไรมันก็พ้นจากความตายไปไม่ได้พ้นจากความ แก่ชราความเจ็บไข้ไปไม่ได้ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะไปมองคนร่ารวยมั่งมีนั่นแล้วทำความชั่วเพื่อทองการอยากร่ารวยเหมือนคนที่ทำชั่วแลร่ารวยนั่นไม่สมควรเลยคนทำกรรมชั่วแลร่ารวย อย่างนี้มันก็มีความสุขแต่ในปัจจุบันนี้ชั่วคราวเท่านั้นแหละเมื่อลาโลกนี้ไปแล้วคำชั่วมันก็ตามถนองให้เป็นทุกข์ทนทรมานอยู่ในในรกอับอายภูมิอ่าเป็นอย่างนั้นเราต้องคิดให้มันเห็นเมื่อบอได้คิดเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องดิ้นรนเดือดร้อนไป กับบุคคลผู้ร่ำรวยโดยทางสุจริตอย่างนั้นหรือว่าไปเห็นผู้เขาร่ำรวยโดยทางสุจริตเพราะอนุภาพแห่งบุญกุศลที่เขาทํามาแต่ก่อนมันมาอํานวยผลให้อย่างนี้เราไม่ควรจะไปอิจฉาหริษยาเขาแล้วก็แสดงความผุ้ิตาจิตพอยยินดีด้วย อย่างนั้นเนะ่มันจึงไม่เป็นกีเลสมันจึงไม่เกิดบาปเกิดโทษและก็มาสอนตัวเองเออถ้าหากว่าเราทำกุศลคุณงามความดีเราละความชั่วเสียในชาตินี้เราก็จะเป็นทุกข์ยากลำบากแต่ในชาตินี้เท่านั้นเนะีไอต่อไปชาติหน้าเราจะต้องถึงถึงความ สุขความเจริญด้วยลาบยศทรรเสริญดังที่คนผู้มีบุญเขาเป็นมาแล้วนั่นแหละผู้มีบุญอาศัยบุญบารมีนั่นแหละเป็นกำลังใจสั่งสมบุญกุศลสืบต่อไปให้มากมากขึ้นโดยลำดับเหมือนอย่างนางวิสาขาอนาสถาวินิกามาเศรษฐีบนั้นแหล ะ, ะเพื่อน บุญสั่งสมบุญกุศลแต่ก่อนมามากมากมาแล้ววันนี้บุญกุศลของเก่านั่นน่ะกระโดนบันดาลให้ได้ฟังเทศ พ, พระพุทธเจ้าได้ไดบรรลุโสดาปติผลเป็นอริยบุคคลในพุทธศาสนาแล้วท่านก็สร้างบุญกุศลทำบุญในทานไม่มีหยุดไม่มียั้งรักษาศีลในบริสุทธิ์ไม่ทำบาปทำชั่ว แม้จะอยู่คลองเรือนทำการค้าการขายกบค้าขายโดยทางสุจริตแม้จะมีใครมาช่อกงหลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติท่านก็ไม่โกรธไม่พยายาบาทไม่แก้แค้นให้อภัยเข้าไปอย่างนี้นะท่านทั้งสองนี้ได้สร้างบุญกุศลมามากมาย ก็เหตุนั้นเมื่อท่านหมดอายุสังขารแน้วจึงไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตรหรือชั้นนิมมานนดีนุ่นเป็นชั้นที่มีรูปร่างกายอันละเอียดสุ ข, ขุมมากทีเดียวแล้วอันิี้สองที่ท่านทำบุญกุศลมากมากนั้นก็จะให้มาเกิดในโลกนี้ชาติเดียว ท่านเรียกว่าพระโสดาบันประเภท A K P G. เอกพีชีเดียวามาเกิดในโลกนี้ชาติเดียวเท่านั้นแล้วก็จะได้ดับขันเข้าสู่นิพพานไปพระโสดาบันที่ท่านไม่ได้ทําบุญกุศลมากๆดังสองท่านนี่นะอย่างอย่างอย่างน้อยก็เกิดอีกสามชาติแล้วก็ดับขันเข้าสู่นิพพานไป อย่างมากก็เกิดอกเคดชาติแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปนี่เป็นอย่างนั้นให้ท่านผู้ไม่ประมาทนะสั่งสมบุญกุศลให้มากมากมาในสงสารนี่นะผลสุดท้ายท่านก็ได้บรรลุถึงซึ่งความสุขอันเที่ยงแท้แน่นอนในนิพพาน ไม่แปรผันเป็นทุกข์ต่อไปมีแต่สุขล้วนล้วนตลอดอนันตการนี่ชีวิตจิตใจของมนุษย์เราดวงนี้นะไปไปแล้วมันก็ไปรวมกันอยู่นิพพานต่างแต่เร็วแตช้ากวัวกันเท่านั้นเองเนะยผู้ใดก็มาดกดช้ามากทีเดียวนานหลายกลัวว่า ท่องเที่ยวไปในสงสารจะได้พบประกาศบัณฑิตเอท่านจะชักจูงแนะนําเอาอย่างนี้นี่มันนานกว่าจะได้พบพอไปมัวแต่สวยผลแห่งบาปกรรมอันนั้นอยู่กว่าจะได้เกิดมาเป็นคนพอได้ทําบุญกุศลบางอย่างไว้อย่างนี้พอพ้นบาปพ้นกรรมเวนอันนั้น เกิดมาเป็นคนก็ไม่ได้พบสักปราชญ์บัณฑิตแล้วท่านก็ชักจูงแนะนำให้ทำบุญกุศลให้ละความชั่วอย่างนี้เหมือนอย่างเช่นเรื่องของบัณฑิตตาสามเณรนในศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี่แต่อดีตชาติ ตั้งแต่ศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปันไปรับจ้างเศรษฐีอยสามปีเพื่อต้องการอยากได้กินอาหารดีๆเหมือนอย่างเศรษฐีคนนั้นนะ่ะเศรษฐีคนนั้นกินอาหารบางคราวนะจ่ายเงินหมดตั้งแสนกะหาปนะหนันะ่นอาหารข้าบเดียวนั่นแหละ ให้พ่อครัวไปหาแต่อาหารดีๆมาทำหมดตั้งแสนกหาพนะวนแล้วก็ประกาศให้ชาวเมืองมาดูมาชมลีลาของการกินอาหารบันนี่มีคนบ้านนอกคนหนึ่งเข้าไปในเมืองได้ยินข่าวก็ไปดูเขาไปดูก็อยากเหลือรอนอยากกินอาหารกับเศรษฐีนั้นจึงไปขอ กินอาหารกับเศรษฐีเศรษฐีจึงว่ากินไม่ได้ถ้าจะกินได้ต้องมาเป็นลูกจ้างของเราเสียก่อนสามปีเราจึงจะจัดให้กินอาหารราคาแสนกระหาพัานนี้เอา้าบุรุษคนนั้นก็ยอมอยอมเป็นลูกจ้างเศรษฐีอยู่สามปี เรียกว่าเป็นลูกจ้างอย่างซื่อสัตว์สุจริต จ, จริงๆเพราะอยากอาหารประเภทนั้นมเมื่อได้สามปีแล้วเศรษฐีก็จ่ายเงินแสนหนึ่งให้พ่อครัวแม่ครัวไปซื้ออาหารมาพรุงมาแต่งให้เหมือนกับตนกินนั่นแหละเสร็จแล้วก็ให้คนไปประกาศชาวเมืองมาดู พ็ในขณะที่เพื่อนกำลังจะรับประทานอาหารนั่นในยุคนั้นสมัยนั้นมีพร ะ, ระเจ พ, พุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกท่านออกจากในโลกสมาบัติและพิจารณาดูว่าคนไหนที่มีบุญควรที่พระองค์จะไปโปรดก็เห็นแจ้งโดยพย า, ยานว่าบุรุษคนนี้แหละรับจ้างเศรษฐีมาสามปีแล้ว ปาถนาจะบริโภคอาหารอันปณิตบรรจงนั้นถ้าหากว่าเราไปสู่ที่เขากินอาหารนั่นน่ะเขาเห็นเขาแล้วเขาจะเรื่อมใสแล้วเขาจะยกอาหารนั้มาใส่บาตรให้หมดเลยเขาจะไม่รับประทานเลยแล้วบุญกุศลนั่นจะเป็นอนุขามนันนีติดตามเขาไปในที่สุดเขาก็จะได้ ในบังเกิดในเมืองสาวัตถีได้ออกปวดเป็นแต่อายุเจ็ดขวบในนามว่าบัณฑิตะสามเณรแล้วเขาจะได้บรรลุอรหัตตผลแต่ตอนโกนผมเสร็จตรงไปพระพระเจกท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วท่านจึงเสด็จมายืนอยู่ต่อหน้าบุรุษคนนั้น บุรุษคนนั้นเห็นเขาแล้วก็เรื่อมใสศรัทธานึกในใจว่าไอเราทุกข์ากลำบากไม่ได้เป็นเศรษฐีเหมือนท่านผู้นี้ก็เพราะเราไม่ได้ทำบุญทําทานมาแต่ก่อนเรามัวเมาเศษตษนีเหนียวแน่นอืมดังนั้นในชาตินี้เรามีทัยาทานอันประนีบรรจงอย่างนี้แล้ว เราเถอะเราอย่ารับประทานเลยเพราะเรารับประทานก็เพียงอิ่มมือเดียวเท่านี้ออแล้วมันก็ต่อไปมันก็หิวอีกเหมือนเดิมมันต่ออายุให้เพียงชั่ววันหนึ่งคือหนึ่งเท่านี้แหละอาหารอันประนิดปรจงนี้ถ้าเราได้เอาใส่บาทถวายทานแด่ พ, พระเจพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกนี้แล้วบุญกุศลอันนี้จะ อำนวยความสุขให้แก่เราไปยืดยาวนานแล้วก็จะส่งเราให้ถึงซึ่งพระนิพพานโดยแท้จริงเมื่อ้คิดได้อย่างนี้แล้วจึงได้ยกเอาถาดอาหารอันประนีตราคาตั้งแสนนั้นไปกล่าวคำถวายทานว่าด้วยอำนาจผลทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนแห่งธรรม ที่พระคุณเจ้าได้บรรลุแล้วนั่นเถิดแล้วก็ได้ใส่บาตรให้พระพระเจคุทิเจ้าพุ้เจก พ, พระพเจกท่านก็ให้พร อ, อิจิตังบัิตังท่านต้องการปราถนาสิ่งใดก็ขอให้จงสำเร็จดังความมุ่งมา่ปราถนาของท่านทุกประการเถิด เช่นนี้แล้วท่านก็หอะไปสู่เขาคันธรร ม, มาตรท่านก็ไปแบ่งอาหารนั้นถาวายแด่พระพเจคุทตเจ้าที่อยู่ในเขาคันธรร ม, มาตรนั่นด้วยอันนี้แหละเมื่อท่านท่องเที่ยวมาในสงสารมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปก็ได้ทำบุญทำทาน ตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์เป็นเทพบุตรเพราะมีศีล น, นี่ไม่ได้ทำบาปอะ่ะเที่ยวขึ้นเที่ยวลงอยู่มนุษย์สวรรค์นี่มาถึงศาสนาพริเจ้าของเรานี่ก็มาเกิดในตระกูลผู้มั่งมีสีสุขอ่าแล้วก็มารดานั่นก็เป็นโยมอุปถาคธรรมสารีบุตร มารดาจึงนิมนต์ท่าน菩ริบุตรไปฉันในบ้านแล้วก็ขอให้ท่านตั้งชื่อให้ลูกของตนท่านก็เลยตั้งชื่อว่าบันดิตะกุ ม, มารเพราะว่าพอเด็กคนนี้เกิดมาแล้วบรรดาคนในบ้านในช่องนั้นหลายก็ชื่นชมยินดีได้หมดเลยอ คนทั้งหลายก็เกิดมีสติมีปัญญาขึ้นว่างั้นเฉนนั้นท่านพระสารีบุตรท่านจึงตั้งชื่อบรรดิตะคุ ม, มานเมื่อกำลังนอนอยู่ในบนเบาะนะั่นน่ะถ้าพระสารีบุตรมาตัดผมไฟให้เมขนานชื่อให้ท่านก็ระลึกได้ว่า สวสารใบุตรนี่มีคุณต่อเรามากมายว่างั้นตั้งแต่ก่อนมาเราก็ได้ทําบุญได้ถวายทานกับท่านมาเอามาจัดนี้เราก็จะไม่มีอะไรถวายทานมีผ้ากําพลราคาแสนกหาปณะ น, นี่แม่เอาทําผ้าอ้อม มันที่ตักุ ม, มานะก็เอามือเขีย่ยผ้านั้นเา้าไปใส่มือของท่ารมสาริบุตรไอ้แม่ก็เข้าใจผิดคิดว่าเล็บมือไปข้องผ้าลูกกับไปปลดออกออาลูกไปร้องให้ลูกร้องให้แล้วพอหนอยหนึ่งแกก็เอามือไป ไปดันเอาผ้านั้นไปเพื่อว่าจะเอาไปถวายท่านพระสารีบุตรแม่ไปปดออกก็บัรล้องให้แม่คิดได้เอ๊ะลูกของเรานี่ถ้าจะมีจิตศรัทธาถวายผ้าพื้นนี้แก่พระผู้เป็นเจ้าอของเราว่างัันผู้แม่นั้นจึงกล่าวว่าอ่าดิฉันคิดว่าลูกคนนี้มันคงจะคิดจาก จะถวายผ้าทำพลราคาแสนกาพนานี้แก่พระคุณเจ้าเพราะฉะนั้นข้าอดิสันก็ขอถวายผ้าผืนนี้แต่พระคุณเจ้าไปเสียเลยว่างั้นขอพระคุณเจ้าได้เอาไปบริโภคใส่สอยตามประสงค์เถิดเข้าใจว่าก็คงไม่โศกโปรกคงพับแล้วก็ถวายท่าน <c oughs> อย่างนี้แหละเมื่อเจริญวัยใหญ่โตมาอายุเจ็ดขวบแล้วก็ขอลามานดาไปบวชกับท่าน菩านิบุตรท่านบวชให้แล้วไปได้เจ็ดวันวันที่แปดท่านบรริตาสมเณรก็ได้บรรลุอรหัตตาพนทั้งแต่นั้นมาลาบสาการะอันใดก็ไม่อดไม่อยากอันนี้สงที่ได้ ถวายผ้ากำพลบุดนั้นนะตไตรจีวร อ, อะไรต่ออะไรก็ไม่อดไม่อยากเลยอย่างนี้แหละอนุภาพแห่งบุญกุศลที่นำเรื่องราวของท่านผู้มีบุญแต่ก่อนมาสแสดงสู่คนฟังนี่ก็เพื่อเป็นเครื่องพยุงศรัทธาของท่านผู้นับถือพุทธศาสนาทั้งหลาย ให้มีความเชื่อมั่นในกุศลผลทานผลศิลทั้งหลายที่ตนมีศรัทธารักษามาหรือทั้งใจบำเพ็ญมานั่นว่าอนิสงสับผลแห่งทานแห่งศิลนมีจริงๆเลยเหมือนอย่างที่ประวัติของพระพุทธเจ้ากดีของภาษาอุปปังฐรบองค์ที่นำมาแสดงนี่แหละ นับว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ใจมากอนุภาพแห่งบุญกุศลนี้เมื่อบุคคลใดเป็นผู้มีปัญญาได้สดับคําของพระพุทธเจ้าแล้วพิจารณาเห็นตามอย่างว่านี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่ประมาทนะทั้งใจสําบรวมกายวาจาใจของตนให้มั่นอยู่ในศีล ไม่ทำบาปไม่ เ, เบียดเบียนบุคคลอื่นหน้าสัตว์อื่นแ้วตั้งใจทำบุญบริจาคทานปติจะทำได้นอกจากนั้นก็ตั้งสติรักษาจิตใจที่เป็นบุญเป็นคุลนี่ให้ใจมั่นอยู่ในบุญในคุณให้ยิ่งขึ้นไป ไม่ให้จิตใจมันเสื่อมจากคุณจากคุณอันนี้เหลือแต่ทำบุญทำมาแล้วไม่รักษาบุญน่นมันก็เสื่อมได้เหมือนกันเหมือนเงินทองเหมือนจะหามาได้เราไม่รักษาไว้ในที่ปลอดภัยโจรขโมยมันก็ลักมันก็ชี้เอาไปอย่างนี้แหละ บุญกุศลอันเป็นทรัพย์ภายในนี่ก็เหมือนกันมีใจหละเป็นผู้รักษาไว้จึงค่อยอยู่ได้เมื่อจิตนี่ทำความยินดีพอใจในบุญกุศลอันนี้ให้มากๆเท่าได้แล้วก็รักษาจิตอันนี้ให้ดีให้ชื่นชมปิติในบุญในคุณอันนี้เสมอไปละบุญคุณก็ไม่สูญไม่หาย เป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ต่อไปเลยต่อสู้กับกิเลสตามานต่างๆเอาชนะกิเลสไปได้ก็ด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลที่เรากระทำบำเพ็ญมาอันเกิดจากอา น, นิสงส์แห่งการให้ทานอา น, นิสงส์แห่งการรักษาศีลอา น, นิสงส์แห่งการฟังธรรมอา น, นิสงส์แห่งการ ้วยพระนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยอานิสงส์แห่งกุศลความดีเหล่านี้เนี่ยเมื่อมันรวมกำลังกันเข้ามากๆแล้วมันก็มีอำนาจมีอิทธิพลอันใหญ่ยิ่งสามารถขจัดความโลภโกรธหลงมานะทิฏฐิอิสาพยาบาทกิเลสชาตทั้งหลายออกกากจิตใจนี้ให้หมดสิ้นไปได้ อ่าโดยประการทั้งปวงดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้ให้เขาได้เห็นโทษของบาปของกรรมเวรต่งางๆมีข้าสัตว์เป็นท้นดังกล่าวมานั้นแล้วพยายามได้เว้นจากกรรมชั่วห้าอย่างนั้นโดยเด็ดขาดไปเลยอย่างนี้ก็มีนะอะ่นั่นแหละ เมื่อมันเห็นโทษดังกล่าวมาแล้วมันจะเป็นอุปนิสัยปัจจั ย, ยไปตะเกินจิตให้ไม่ทําความชั่วให้ทําแต่ความดียิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยเป็นอย่างนี้การฝึกตนในชีวิตของคนเราในโลกนี้นะให้พากันเข้าใจเมื่อฝึกตนนี่หมายความว่าฝึกให้ละบาปนี่เนะี่ยเป็นอันดับแรกเลยทีเดียว ค้นหาตัวบาปให้เห็นค้นหาหมูลเหตุที่ให้มีจิตใจทำบาปอากุศลต่างๆนานาพวกนี้นะให้พบด้วยตนเองดังที่แสดงให้ฟังมาโดยลําดับนี่แหละหวังว่าคงจะพากันค้นพบเหตุแห่งบาปเหตุแห่งบุญกุศลเหตุแห่งมรรคผลธรรมวิเศษ มีอย่างไรนั้นได้อธิบายมาโดยลำดับแล้วหวังว่าผู้ฟังคงจะพากันน้อมนำเข้าไปพินิพิจารณาแล้วฝึกฝนจิตใจตัวเองให้มันเห็นโทษของกิเลสบาปธรรมละกิเลสบาปธรรมออกไปจากจิตใจให้ได้แล้วผู้นั้นก็จะเจริญด้วยบุญด้วยคุศลผียโยยิ่งยิ่งขึ้นไป ดังเตรงมา